นะรู้กับหลงแต่ว่าคนเราเนะเราตื่นมากกว่าหลับเราตื่นก็วันหนึ่งก็อาจจะ16ชั่วโมง18ชั่วโมงส่วนจิตนั้นมันตรงข้ามนะเราหลงมากกว่ารู้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 เวลาตื่นแล้วก็หลับเนี่ยเราตื่นและหลับเป็นเวลานะบางคนอาจจะตื่น6กโมงเช้าสี่ทุ่มเที่ยงคืนจึงค่อยหลับบางคนอาจจะตื่นตีสสามทุ่มหลับเราตื่นเราหลับแต่เราคนไม่เหมือนกัน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 ทั้งต่อร่างกายแล้วก็ต่อจิตใจถ้าอยากจะท ร, รมานใครสักคนเนี่ยก็ทำให้เขาไม่หลับไม่นอนเอาน้ำสาดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ4ีหวันหรือเป็นอาทิตย์นะเดี๋ยวก็ต้องเผยความลับออกมาหรือก็ต้องสารภาพนะคุมไม่ได้แล้วจิตใจ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 ผู้ใหญ่ก็คือว่าตอนเช้านี่อลักซีนชนะนะเราก็เลยตื่นหายง่วงทัที่เราตื่นนะเวลาอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่าพาทิตอย่างเดียวนะแต่มา เ, เพราะสารตัวนี้ด้วยแต่ถึงแม้พาทิตยจะไม่ขึ้นอย่างตอนนี้บางคนก็ตื่นละ อย่างทั้งวัก็ตื่นแล้วนะก็เพราะไอออร์กซีนนี่แหละนะสารตื่นนะมันมากกว่าเราก็ตื่นแต่พอตกค่ำนะอะอะดีโนซีนหรือสารหลับเนี่ยมันก็ชนะนะผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะแต่ก็เป็นเวล่อ่ำเวลานะยุ้ยบางคนเนี่ยซึ่งมันอาจจะ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 สวดมนต์นี่ก็น่าจะนะทำให้เรารู้ตื่นเบิกบานมากขึ้นแต่สังเกตไหมบ่อยครั้งก็โดนตัวหลงเล่นงานนะปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนนะไปอยู่ที่บ้านนะไปหาลูกนะไปอยู่ที่งานบางทีก็ไหลไปอดีตนะพอหลงเข้านะ มันก็จะสวผดผิดผถูกถูกนะโดยพระบทสวดที่ ค, คล้ายๆกันพุทธังทำมังสังคังนะสวดพุดทธังจากแทนที่จะสวดพุดทธังก็สวดสังคังแทนที่จะสวดทำมังก็สวดพุดทธังไปนะอันนี้เพราะว่าหลงนะยิ่งกว่านั้นในะเวลาเรามาเจริญสตินะ ความรู้สึกตัวด้วยการยกมือสร้างจังหวะโดยการเดินตรงกลมเนี่ ย, ยทั้งทัที่ตั้งใจได้ว่าจะรู้ตัวให้ได้หรือมาเพื่อทําให้ความรู้ตัวเกิดขึ้นจะเป็นไงหลงใจลอยไปไหนไม่รู้เดินยังไม่รู้ว่าเดินเลยหรือว่ารู้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 เราหลงได้แม้กระทั่งในเวลาพูดคุยกับคนนะเราหลงแม้กระทั่งเวลาขับรถเราหลงแม้กระทั่งเวลาทำงานขับรถอาจะจะขับถูกทางนะถึงที่หมายได้แต่อันนั้นมันเป็นเพราะความเคยชินมากกว่าขับไปเส้นทางนี้นะเป็นประจำนะทุกวันทั้งเดือนทั้งปีั้ถึงแม้วขาขณะที่เรากำลังหลง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 คุยกับคนเนี่ยนะก็คุยรู้เรื่องนะเขาพูดอะไรมาก็ได้ยินแล้วก็ตอบโต้ได้แต่สังเกตหหลายครั้งเราก็พูดด้วยความหลง <c oughs> เช่นมันนะคุยแลํามันเพลินนะอยู่ในรถหรือว่าอยู่ในวัดนะก็ยังคุยฟุ้งนะไปได้ทั้งวัน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 หรืออาจจะรวมไปถึงคนที่เป็นบ้าวิกลจริตไนะพวกนี้เขาไม่เรียกว่าไม่รู้ตัวทำอะไรก็น ะ, ะเขาก็ไม่ถือโทษนะแต่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะเช่นนั้นนะไม่ได้เป็นบ้านะไม่ได้โดนไม่ได้สลบหรือช็อกเนี่ยก็ยังทำอะไรได้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 คนละเมอเนี่ยเขาทำอะไรได้ถูกเหมือนกันนะแต่เราก็รู้ว่าเขาหลับตอนนั้นเขาอยู่ในภาวะหลับแต่ว่าก็าอาจจะนึกฝันอะไรไดนะ้เราก็ว่าตื่นก็ได้ก็จะฝันว่ากำลังตื่นอยู่แต่ว่าเขาหลับทั้งที่หลับก็ยังทำอะไรได้ถูกนะ แต่นั่นเนี่เรียกว่าหลงถือแม้เราลืมตาอยูนะ่เราก็ยังหลงได้ถ้าเราปล่อยให้ตัวหลงที่มันคลองใจไปเรื่อยๆนะยิ่งอายุมากก็ยิ่งหลงมากนะหลงในที่นี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่หลงลืมนะอันนั้นมันเป็นเรื่องของ สมองเรื่องของร่างกายแต่ที่แยกกว่านั้นก็คือการเป็นคนเจ้าอารมณ์นะไม่รู้ตัวถูกอารมณ์ครอบงำไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเกลียดความหวงแหนนะหรือว่าความซึมเศร้ า, าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยิ่งอายุมากเนี่ยก็ยิ่งหลงนะแล้วก็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 ไอ้ความหลงมันน่ากลัวตรงที่ว่าพอหลงแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าหลงนะจะมองข้ามหรือว่าดูแคลนความหลงนี่ไม่ได้เลยนะคนเราแม้จะเรียนสูงแค่ไหน แต่ถ้าลงหรือลืมตัวแม้เพียงชั่วขณะเดียวเนี่ยมันก็พาชีวิตเนี่ยสู่ความพินาศได้นะมันมีคําพูดว่าเนี่ยความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยนี่สุนทรพูดกล่าวไว้นานแล้ว200ปีแล้วความรู้ท่วมหัวเนี่ยมันหมายถึงรู้ทางโลกนะแต่ว่ามันไม่มีความรู้ตัวเอาตัวไม่รอดเพราะตอนนั้นมันหลงนะหลงในอารมณ์ เช่นอาจจะโกรธนะโกรธชับพันหรือว่าท้อแท้สิ้นหวังอย่างรุนแรงนะเพราะโกรธนะชั่ววูบทท้งนั้นแหละนะก็สามารถทำให้ชีวิตเนี่ยพินาศไปได้เชน่นไปฆ่าไม่ใช่ฆ่าเพื่อนบางทีฆ่าคนรักหรือบางทีฆ่าลูกหรือหนักกว่านั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ อันนี้เรียกว่าลืมตัวช่วขนาแต่ที่จริงจะพูดว่าลืมตัวช่วขนาก็ไม่ถูกทีเดียวนะเหมือนกับว่านั้นมันเพิ่งมาลืมตัวตอนนะั้นที่จริงมาลืมตัวมาต่อนเนื่องแนละ้วแต่ว่ามันจะไม่หนักหนาเท่ากับช่วขนาดนั่นแหละเช่นอาจจะโกรธนะก็บรรดาโทสะทำร้ายเขา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 รู้ะว่าไม่ดีนะแต่ห้ามใจไม่ได้หลายคนที่ติดเล่าก็รู้ว่าเลาไม่ดีแต่ห้ามใจไม่ได้ น, ดไดไไดนะตอนนั้นเรียกว่ามันหลงนะแล้วถ้าเราไม่สร้างความรู้ตัวให้มากขึ้นเนี่ยนะปล่อยให้ความหลงคลองใจแม้แต่เวลาเข้าหาธรรมะเนี่ยก็สามารถใช้ธรรมะนะเพื่อ มาสนองกิเลสหรือสร้างความทุกข์ให้กับตนเองและคนอื่นได้ธรรมะกนี่เป็นของดีนะนะแต่ว่าถ้าเกี่ยวข้องไม่ถูกมันก็เกิดโทษนะอย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยยาคาที่จับไว้ไม่ดีย่อมบาดมือให้ยาคานี้มันไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้าจับไม่ถูกนี่มันก็ทำร้ายเราได้นะความเป็นสมณนะ ที่บรนปรชิตนะปฏิบัติไม่ถูกก็ย่ำจุดลงนรกธรรมะนี่ถ้าศึกษาไม่ดีศึกษาด้วยความหลงนะมันก็ทำให้เกิดโทษนะอย่างเช่นศึกษาธรรมะเพื่อเอาไปเล่นงานคนอื่นหรือเพื่อยกตนข่มท่านนะในมันมีนักปฏิบัติธรรมนักภาวนาจำนวนมากเนี่ยที่ ปฏิบัติด้วยความหลงนะแล้วก็ใช้ธรร ม, มะเนี่ยไปเล่นงานผู้อื่นไปข่มขีคุกคามผู้อื่นนะอันนี้ทำด้วยความหลงศึกษาธรรมไม่ว่าศึกษาปริยัติหรือว่านำไปปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติด้วยความหลงเลยเนะี่ยมันก็ทำให้จมอยู่ในความทุกข์มากขึ้น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 นะความรู้มันก็มากขึ้นนะแต่ความรู้ตัวเนี่ยนะมันต่างจากความรู้มันต้องเกิดจากการปฏิบัตินะจะแค่ฟังจะแค่นึกเอาไม่ได้อย่างอรตามานเนี่ยพูดเรื่องความรู้ตัวแล้วเราฟังนะ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 คำรู้กัรู้สึกเนี่ยนะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็ใกล้เคียงกันนะันนะหรือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าเรารู้ตัวหรือใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะกายทำอะไรก็รู้สึกนะแม้แต่กระดิกนิ้วกลืนน้ำลายหายใจกระพริบตา ถ้าใจอยู่กันน ก, กับตัวหรือมีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะกายทำอะไรนะใจมันก็รู้คือรู้สึกนะรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่เวทนาน ะ, ะคนละตัวกันรู้สึกคือรู้ว่ากายมันมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับมีคนมาแตะหลังเราเราก็รู้สึกอะ่ะนะนึกดรู้สึกอันนี้ใจเราลอยคิดโน่คิ ด, น, ค ด, น, คดนี่นะ กำลังห่วงลูกนะหรือว่ากำลังนึกถึงงานมีคนมาแตะไหลเราเ้าเรารู้ตัวเรากลัมามีสติเพราะว่าความรู้สึกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปเรียกจิตเราให้กลับมามีสตนินี่ประโยชน์ของความรู้สึกนะเราสร้างเราสร้างอิริยาบถยกมือนะเดินจงกรมเนี่ยนะ ผัวบาจันท่านก็บอกว่าให้ทําทำแล้วให้รู้สึกนะรู้สึกเราจะรู้สึกได้เพราะเราเพราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจไม่ไหลแปอดีตลอยแปรนาคตที่แรกมันมีสติก่อนนะจึงรู้สึกตัวหรือว่ารู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเพราะถ้าไม่มีสตินะใจลอยไปนู่นไปนี่นะยกมือก็ไม่รู้สึกเดินก็ไม่รู้สึกนะ แต่พอมีสติรู้ว่าเราเผลอไปแล้วนี่ฟุ้งแล้วสติพาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวความรู้ตัวเกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะแต่ต่อไปถ้าต่อไปเนี่ยทำไปทาไปเนี่ยนะความรู้สึกมันจะไปเรียกสติให้เกิดขึ้นหรือกลับมาทีแรกมีสติก่อนความรู้สึกจึงตามมา แต่ทาไปทําไปพอมีความรู้สึกนะสติก็จะเกิดขึ้นนะเช่นใจกำลังลอยคิดโน่นคิดนี่จู่ๆมันมีแว บ, บหนึ่งที่รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวไอ้ความรู้สึกนี่แหละนะมันจะไปสะกิดใจให้มีสติกลับมาคนที่กำลังใจลอยอยู่แล้วก็ แบบหนึ่งนะมันมีความรู้สึกที่มือว่ากำลังเคลื่อนหรือว่าตัวกำลังขยับตรงนั้นแหละที่จิตจะได้สติเหมือนกับเวลาเราใจ้อยแล้วมีคนมาแตะไหลแตะมือเราเรารู้สึกตัวเลยให้ความรู้สึกมีประโยชน์นาะมันเป็นทั้งเป็นตัวว่าว่าตอนนั้นเนี่ยใจเราอยู่กันเนือกับตัวหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้สึกก็แสดงว่าใจเราไม่อยู่กันเนือกับตัวเราไม่มีสติแล้วนะ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 ก็ไปในความคิดแล้วจมในอารมณ์นะจนทำอะไรไม่ถูกจนทำอะไรผิผดพ ล, พลาดๆเนอาจจะพูดหลุดปากด่าเข้าไปหรือว่าเขียนคอมเมนต์นะด่าคนในทางเฟ e บุ o k เพราะว่าตอนนั้นมาลืมตัวแต่พอเรานะมีสติไวขึ้นนะ มันรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความรู้ตัวจะกลับมาเร็วนะเรียกว่าเริ่มต้นจากการรู้กายก่อนนะต่อไปมันก็จะรู้ใจได้ไหวขึ้นนะซึ่งก็สรุปนะมาเป็นหลักนะที่หลวงพ่อท่านได้สอนเอาไว้รู้กายเึ้ื่อนไหวเห็นใจคิดนึก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 หรือตัวหลงออกไปจากเดิมเนี่ยทั้งวันเนี่ยหลงมากก็รู้ต่อไปเนี่ยรู้จะมากกหลงนะแล้วมันจะทําให้ชื่อเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะถ้าเมื่อแต่ก็ตามที่รู้มากกว่หลงแต่ถ้าอะไรเมื่อใดยังปล่อยให้หลงมากกวรู้เนี่ยช่วเราก็ยังย่ําแย่เหมือนเดิมหรือจะหนักขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะตัวหลงมันไม่ค่อยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะมันก็จะพยายามแผ่อิทธิพลขยายนาเขตแล้วก็ไล่ตัวโรคไป ตอนหนุ่มๆอาจจะรู้หนุหน่มๆสาวๆอาจจะรู้สัก30เหลง7จสแต่พอแก่ตัวเนี่ยอาจจะรู้ตัวแค่ส0หลง 90% แย่เลยแต่ถ้าเราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติถูกนะหลงเนี่ยมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆจาก7จส็ก็เหลือ 60% 50% หรืออาจจะเหลือแค่ 30% ส่วนรู้นี่มันมากกว่าแล้วชีวเราก็จะเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอาวชาเนี่ยพืนตนนี้นะกรับฮะ